มันก็ไปถูกต้องนะเราต้องพูดปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเยทําวินยันยนี่ก็ไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ผู้น้อยบางทีผู้ใหญ่อย่างผมอาจจะจําละเดือนก็ได้แต่ถึงยังไงเวลาจะพูดไปพวกก็พูดตามหลักแต่ถ้าว่ามันยังคาดเคลื่อนไหมพวกท่านทั้งหลายก็ต้องเอาอ่านในพระวินัยเข้ามาดูอีกนะเ่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 ท่านได้รับเอธะทะะว่าเป็นที่รักเคารพของเถวเทวดาทั้งหลายท่านเป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลายได้รับเอธะทะะจากพระพุทธเจ้าคือพระพิพรินทวชจ้าเนี่ท่านเป็นพรามแต่ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาในครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตตระจากนั้นท่านก็ บ, บำเพ็ญ เห็นพระ พ, พุทธเจ้าปทุมุตระตั้งภิกษุองค์หนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าปทุมุตระเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่ว่าเป็นเป็นที่ที่รักของเทวดาทั้งหลายจากนั้นท่านก็บำเพ็ญมาเรื่อยๆได้รับทั้งตั้งความปาดปรารถนาในใจอย่างนั้นผลที่สุดท่านก็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 แต่ท่านพูดให้คนอื่นพูดได้แต่ใครดูถูกให้แก่ท่านไม่ได้เหมือนกัน่าทีนี้ท่านวันหนึ่งท่านเดินไปบินธบัตมีโยมคนหนึ่งเอาเขาเอาบรรทุกดีปลีเหงือนกันเลดีปลีไปขายในเมืองแล้วก็มีถาดมีถาดใบหนึ่งที่ใครๆมาเป็นการโฆษณาในในในเขียนของเขาเหมือนกันเลให้คนเห็นว่านี้เขาขายดีปรี น, ะนั่นเนาะนั้นะ ที่นี้เดินไปนั่งนั่งเกวียนไปไปพบพระเถระพระกิรินทรวัชชะเนี่ยท่านก็ถามว่าอันนั้นอะไรคนอะไรไอ้ถอยเอนอยู่ในทานอะไรไอ้ถอยอนอันนี้ก็โมโหขึ้นมาทันทีคนไม่เจอหน้ากันมันเรียกถอยได้ยังไงก็เลยว่ากัขี้หนูสมณะแบบแคล้ายๆว่าเน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 ตีปรีเต็มเกวียนเป็นขี้หนูทั้งหมดนะมันก็จิบพายเลยทีเดีจากนั้นต่อมาท่านก็ไปอยู่ถ้ำในกรุงราชคือถ้ำท่านพระเจ้าพิมพิสารเอเดินตรวจที่พักของพระสงเทตรเดินเข้าไปตรวจการงานท่านไปเห็นพระพิรินทรวัฒชชาในะกําลังตกแต่งถ้าอยู่องค์องค์งเดียวท่านกําลังดูอยู่ท่านก็ถาม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 พระปรินทรวัชาเหมือนกันเะยแต่้นตระกูลนั้นก่อนนี่ยทางานช่วยตลอดเลยแต่ใ้วันหนึ่งพระรินทรวัชาท่านก็ไปบินทบาตในหมู่บ้านเขาเพอไปบินทบาทไปเห็นอคนจนแต่เป็นคนอุถปถัมภ์ปฐาวัดน่ะไปทุกวี่ทุกวันดูแลวัดลูกของเขาเน่อยอยากจะได้อยากจะได้เครื่องประดับเหมือนกันเล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 ชนะบุญอยากบุญหนักสักใหญ่ถึงมีทิทธิฤทธิ์ต่างคนก็ต่างมากราบมาไหว้เอาถวายตพวกเพศสัตว์เถอพวกเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยใครมีอะไรก็ถือมาท่านก็มีบริวารมากเลยพระสงฆ์ที่ไปอยู่ปณิบัติทู่ไปอยู่เป็นลูกศิษย์ของท่านอพอรับคนออกมาถวายท่านก็อมา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 เอาเภสัชแขวนพลุงพลังไปหมดเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําผึ้งน้ำอ้อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อค้าใหญ่ที่จะขายสิ่งของอย่างนั้นนะไม่สมควรที่สมณะจะมามีของพลุงพลังอย่างนี้แต่ได้เข้าก็โผลธนาตีเตียนพระพุทธองค์ทราบข่าวพระสงฆ์ทลายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าวันนี้ลูกศิษย์ของพระเปรินทรวัฒ ช, ชานี่ย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 ต้องนิจสขียปาิจิติต้องเสียสละเสะก่อนจึงแสดงอวบ ต, ตกเนีอันนี้คือคือพระวินัยเกิดขึ้นกับถูกฉีดของพระปิรินทร瓦ชะจากนั้นก็ตั้งพระวินยัยแต่พระปิรินทร瓦ชะเทวดาเคารพท่านมากรักท่านมากเคารพท่านมากไปมาสาสู่ทุกวี่ทุกวันพระองค์ก็เลยตั้งท่านก็เลยตั้งให้พระปิรินทริชะ